พอมแล้วนะ <c oughs> ไลฟ์สดเท่านี้ก็จะย้อนมาถามปัญหาการตั้งคาถามจากการไลฟ์ของครั้งที่เ็ก่อนๆนี้ที่มีการถามเข้ามาจำยงชิน US สหารหรับบาฏิกาคือเราฟังทิ่ที่โน่นบอรกร ว, ว่าเสียงทัดเกนดีอยู่เมื่อรับฟังการฟังการอธิบายทำจาก ทำนาวาแล้วลเกี่ยวทมนาวาทางนี้มีคำถามเกี่ยวกับการทำกระถินว่าอาจารย์ครับโยมทำกระถินแต่เงินที่ทำกระถินเอาไปสร้างโบสถ์จะได้ไหมครับอาจารย์กราบท่านสการเพราะโยมสร้างโบสถ์ไปทุกครั้งเลย อาจารยา์ช่วยตอบคำถามอ่ะเดี๋ยวจะช่วยตอบนะเนื่องจากการทํากระถินเคยอธิบายไว้ในครั้งก่อนๆว่ากระถิ น, นไม่ได้เป็นการเอาเงินไปถวายพระใช่ไหมที่ยพุดกันกระถินคือการเปลี่ยนผ้าเป็นเรู่การของการเปลี่ยนผ้าไตรจีวัให้กับผ้าพิษุจะเป็นจีวรนือ น, นในด้นหนึ่งก็ได้จะเป็นกระถิน เป็นจวอนาจีวออันนี้ก็คือจีวนุ่ของเขาเรียกว่าจีวอนอุตราสมผ้านุ่มเรียว่าจีวออันตรารสมผ5า้าผ้ า, าจะมีผ้าผ้าอีกนึงเรียกว่าจีวอสังคาติผ้าสามผือนอุตราสมอันตราราสมแล้วก็สังฆาติ3าืน <c oughs> เป็นฤดูการตองการเปลี่ยนผ้าส่วนผ้าอาบน้ำ น, นั้น ฤดู ก, การของการถาวายก่อนเข้าพรรษาแล้วใช่ไหมไฤดูการที่เข้าพรรษากล้วถายผาเมืนหลังออกจากพราารษาคือไปดูดูการถาวายผ้ากระถิ่นคือเปลี่ยนผ้าไตชีวรพื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้ก็เป็นกัดถินซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้ามีความหุ่งไหมายให้ใช้ผ้าเป็นวัตถุทานไม่ได้ให้ใช้เงินเป็นวัตถุทานเข้าใจไหมใช้ผ้าเป็นวัตถุทาน จึงจะชื่อว่ากฐินหากใช้เงินเป็นวัตถุกทานเป็นกฐินไหมไม่เป็นไม่เป็นทีนี้เราจะตั้งบุญกฐินขึ้นมานะซึ่งกฐินผู้ไเจ้ามีคุธประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ้าไตรหรือเป็นฤดูการของการเปลี่ยนผ้าหากเราจะใช้ชื่อของกฐิน โดยการนําคุณทรัพย์รวมกันไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างที่ไหนก็ตามฤดูการของการทํากระถินคือฤดูการของการเปลี่ยนท่าใจให้กับพระพิสุใช่ไหมแล้วเราจะไปใช้ฤดูการของการทำกรินเป็นฤดูการของการสร้างโบสถ์หรือว่าหาเงินสร้างโบสถ์ได้ไหมไม่ได้มันเป็นฤดูการที่พระพุทธเจ้าต้องการที่เปลี่ยนท่าไตร การสร้างบทมันสร้างได้ทุกฤดูกาลอยู่แล้วแต่ทำไมจะต้องมาเอาชื่อของคําว่ากฐินมาเป็นตัว <c oughs> นําเงินมาที่เป็นวัตถุทางเนี่ยเอาไปสร้างไปเปลี่ยนความประสมของพระพุทธเจ้าให้เป็นอย่างอื่นการเปลี่ยนความประสมของพระพุทธองค์ให้เป็นอย่างอื่นก็เท่ากับว่าเปลี่ยนสิ่งที่โพระงทรงบัญญัติไว้การเปลี่ยนในหลักการที่โพรงทรงบัญญัติไว้ในเรื่องของกฐิน เมื่อเปลี่ยนศีลที่วงทรง ม, มันยอย่างนี้ว่าปฏิมีคือการเป็นรูดการการเปลี่ยนท่าไม่ใช่รูดการต้องการหาเงินเพื่อไปสร้างโบสถ์สารกุฏิเปลี่ยนอย่างนี้เปลียนพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ด้วยชื่อว่าเป็นอะไรครับพระพุทธเจ้าเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าเป็นข้าศึกขอพระพุทธเจ้าภาษาศาสดาพูดไปอย่างไปอีกแบบพุทธสาวกมาใช้อีกแบบเปลี่ยนความหมายของพุทธองค์กลายเป็น ดูสีเปลี่ยนสไีไปเร่อยที่จั ง, งม่กับท่นวนของดูสีเปลี่ยนสีนะจะดูอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนความหมายของคําหากว่าจะใช้ใช้อะไรใช้เงินเป็นวัต ถ, ถุทานในการสร้างพระอุโบสถก็ใหญ่ใช้ชื่อคําว่พเจินแต่ให้ใช้ว่าขอร่วมสมทบในการ สร้างพระอุโบสถเนี่ยแต่ห้ามบอกว่าพอร่วมทำบุญกระถินเพื่อสมทบคุณในการสร้างพระอุโบสถอันเนี้ยผิดเ <c oughs> พราะกระถินใช้ในความหมายของการเปลี่ยนค่าไตรจีวรไม่ใช่ใช้ชื่อของกระถินไปเป็นการรวบรวมทุนทรัพย์เอาเอาตัวเงินเป็นวัตถุทานไปสร้างพระอุโบสถไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่ ก็ควรทําให้มันถูกต้องว่าที่ถูกต้องก็คือการเปลี่ยนธาตเท่านั้นนี่คือเรื่องของการกระถินอันที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่อธิบายนี้ที่นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนธาตุไม่ใช่กระถินเด็ดขาดและไม่ใช่เป็นกระถินและไม่ได้ชื่อว่าเป็นบุญกระถินและไม่มีบุญอนกสง์ทางด้านกระถินไม่ได้เด็ดขาดก็ใช้ชื่อไปตรงๆที่ว่าร่วมสมทุพทุ้นสร้างพระอุโบสถมันมันจะเป็น มันผิดตรงไหนอ่ะถ้าจะใช้ชื่อตรงๆแต่อนะารย์บอกว่าขอนร่วมทำบุญกระถิ่นเพื่อร่วมสมทบทุนการสร้างเขง้ารูปสดมันผิดใช้ชื่อกระถินผิดกัระถินไม่ใช่ความหมายของการนำเงินไปสร้างอาจารจ์ไมโยมชินที่ฟังอยู่ก็ให้เข้าใจเห็นบอกว่าช่วงที่ฟังก็เร า, เราประมาณสิบโมงมากรันเท่ไหรเก้ามคือทางนู้นเท่าไหร่ ให้เข้าใจนะโยมชินขอเจริญพรที่ได้ถามเข้ามาคนอิ่นก็จะได้ทราบเรื่องของการทำกติกาแล้วก็มีคำถามอะไรเพิ่มอีกนะใ้ในไลฟ์ครั้งก่อนๆ น, นี้นท่านพนมพรโยมอะไรที่ถามมานาลายชินตีนอะไร บำเพ็นอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรผู้เป็นโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโพธิสัตว์ยุคไหนสมัยไหนหรือในการไหนก็ตามโพธิสัตว์จะต้องมีปฏิบัตทานในบรารมีศีประการคือทานบรารมีศีลบารมีเนคัมะบารมีสัจจบราบบรมี อุเบกขาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาอรอยเมตตาบารมีมอธิษฐานบารมีสิบเกือบไม่รอด <c oughs> แค่สิบพอยก็ไม่รอด <c oughs> น, นั้นเป็นปฏิปทาหรือว่าเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์จะต้องสมาทานตั้งมั่นไว้ในใจตลอดชีวิต ใน10ประการนี้จะต้องตั้งใจที่จะบำเพ็ญใน10ประการนี้ทานศีลเนกามะปัญญาวิริยะอันติสัจการอธิษฐานเมตตาอุเบกขา10ประการจะต้องฝึกในบารมีทั้งสิประการนี้ไปเรื่อยๆซืบเนื้อซืบเนื้อซืบเนื้อเกิดตายเกิดตายเกิดตายจะต้องตั้งบารมีทั้งสิประการนี้ไว้ในใจเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายไปอยู่ที่ว่าพระโพธิสัตว้น เป็นข้าพโพธิสัตว์ในด้านไหนในด้านปัญญาบา ร, รมีขันติบา ร, รมีหรือว่าศรัทธาบา ร, รมีนะถ้าเป็นปัญญาบา ร, รมีก็ใช้เวลาสี่อสมขายอีกแสนกับกําไรแสนกับไว้ที่ว่าทำเกินไว้อีกแสนกับสี่อสงไขายนี่คือเต็มแต่ทำเกินไปนอีกแสนกับกําไรคือการเกินพนเราทําการค้าการขายก็ต้องการกําไรใช่ไหมทําความดีก็ต้องสร้างกําไรคือทําเกินทำเพิ่มไว้นะ ไม่ใช่ว่าทําขาดขาดให้หายถ้าอาจารย์โยมก็ไปท่องท่าอยนะปฏิบัติทำตามพระอาจารย์สอนอยู่นะทําบ้างไม่ทำบ้างแต่ก็ทําอยู่ขาดาให้หายไม่ค่อยเอากําไรกันเลยเรื่องปฏิบัติแต่เรื่องค้าขายนี่อยากจะเอากําไรอะดีหรือเตอะไรกำไรน้อยโอ้ยดีไม่สบายใจ <c oughs> <c oughs> โอ้ท่องท่องท่าภาวนาน้อยไม่ได้บ้างนะเนี่ยแต่าทาบอกว่าอะไรเหนื่อยทํางานมาเป็นไงคนระับไม่เอากําไร เราจะกำไรจากการปฏิบัติอย่างเงี้ยเสียเสียขาดคุณบมอย่างเงี้ยขาดคุณด้านกุศลธรรมนี่ไม่ค่อยดิบตกแต่ขาขาดคุณด้านคุณทรัพย์ดิบตกกะงวลเลมนุษย์เราเพราะในด้านโพธิสัตว์นี้จะต้องทำกำไรไว้ให้เยอะๆสร้างสร้างเกินไว้ ก, กี่แสนกับแสนกับนี่คือยังน้อยอยู่นะจริงๆแล้วถมันมสร้างไปมากกว่านั้นนี่คือระดับของปัญญาอะไรโพธิสัตว์ที่อยู่ในด้านปัญญาบรารมีถ้าโพธิสัตว์อยู่ในด้านขันติบรารมี เตสั ย, ยวิยริยะบารมีขออภัยที่บอสสัตว์เทาบา ร, รมี้พูดผิดมันพระโพธิสัตว์จะมีพระโพธิสัตว์ปัญญาบา ร, รมีวิริยะบารมีขันติบา ร, รมีวิริยะบารมีแฝงอสงไขวิบ่าไม่แน่ใจต้องบอก เ, เป็นแฝงอาสงไขกับอีกแสนกันะถ้าผิดขออภัยประมาณนี้ถ้าจำไม่ขนะันติบา ร, รมีวิริยะบารมี ฐันติบาลมี16อโซไขเด็กอีกแสนเก่าประมาณนั้อันนี้คือเรื่องราวของคนศัทธาที่จะต้องบำเพ็ญแล้วก็อธิษฐานในใจในบาลมีสิประการจากบาลมีธรรมดาก็จะเป็นอุปบารมีคือบาลมีระดับกลางกลางจากอุปบาลมีก็เป็นบามัดฐบาลมีแล้วบาลมีเต็มหรือบาลมีสูงสุดบาลมีขั้นละเอียดขั้นละเอียดดูที่ไหนดูอย่างพระเวสสันดรพระพุทธเจ้า10ชาติสุดท้ายพระเตมีใบ้ สเตนมีบบำเพ็ญอะไรไ<ห>ออกบวชใช่ป่ะในสเตนมีใบบาเพ็ญนเรื่องการออกบวชใช่ไหมในขั้มาบาลามีอ่าใครมหาชนกบาเพ็ญอะไรวิริยะบาลามีสุวรรณสามบำเพ็ญอะไรเมตตาบาลมีอวนเดวิราชบำเพ็ญอะไร อธิษฐานบารมีพระมโหสถบําเพ็ญอะไรปัญญาบารมีภูริทัตบําเพ็ญศีลบารมีจันทภูมานบําเพ็ญอะไร ข, นรขันติบารมีขันติวาท ด, ดาวดุนใช่ไหมเลขไม่ใช่จันทภูมานใีกต่อ นานาธานพระนาราธาบาเพนอะไรอูเบขาบารมีมีถ่ายกันซิบทังวันอะไรอีกบิทูลาบาเพนสัต์จับบารมีใครอีกสุดท้ายเวสันดอนบาเพนใครสองไม่ได้เบอมมุทพันแล้วนี้ เวทชันดอนนี่ยทานบารมีนี่คือสิบสชาติที่เป็นปรมัตถะบารมีบารมีที่บงเพ็ญไม่ขาดปกป้องเลยส่วนบงเพ็ญบารมีชั้นต่างๆนันยังขาดปกป้องได้คือบารมีธรรมดาอูปะบารมีก็ยังมีปกป้องได้แต่ปรมัตถะบารมีนี่ไม่ปกป้องเลยสิชาติคือต้องเต็มนะไม่เต็มไม่สามารถสําเร็จเป็นพสมาสัมพุทธิ์ได้ ในขณะที่บงเพนนั้นหากเจอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เช่นจะเจอพระ อ, อยยเมตัยในภายภาคหน้าหาโพธิสัตว์นี้ปัฏาฐานจะหวังความค้นทุกในศาสนาของพระเสยเมตัยโพธิสัตว์นั้นก็สามารถเขาเรียกว่าปล่อยความปัฏาฐานาทิ้งความปัฏาฐานาหักจิตออกจากาาาาความปัฏฐานของเป็นโพธิญาณ มาเป็นสาวบกภูมิในสมัยของพระพุทธเจ้าพนามวา่าสิโยยันตมตไตแล้วฟังธรรมก็สามารถรดูผลได้โดยง่ายสำหรับผู้เป็นโพธิสัตว์หรือแม้แต่ในชาตินี้หาใครเป็นโพธิสัตว์อยู่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าเราพระสัมมาสัมพุทธมนี้ศึกษาเรียนรู้ทคำความเข้าใจปฏิบัติใส่ใจเพ่งกินิดใต่ตองพิจารณาให้แยกไคร เพลงแล้วเพลงอีกรู้แล้วรู้อีกทำความเข้าใจแล้วทำาข้าใจอีกอย่างเงี้ยทราบชาัดทายในจิตในเรื่องของธาตุสันห้าอริยสัจหนี้ให้เข้าใจแล้วโน้ตเข้าสู่ อ, อริสัจสีก็สามารถบุโพธิ์ในชัตินี้ได้โดยง่ายเหมือนกันคุณที่เป็นโพธิสัตว์นี้อะไรก็ง่ายแต่ผู้ที่เป็นสัตว์ไม่มีโพธิยาก ขึ้นมาให้มีโพธิ์ก่อนเข้าใจแล้วนะลืมการบเพ็ญบใครจะเป็นโพธิสัตว์เป็นรู้ได้ย้าในอนาคตก็ได้ตั้งจิตปารถนาขึ้นมาได้ทุกคนสามารถเป็นโพธิสัตว์ได้หากมีความเชื่อมั่นใครในตัว การบำเพ็ญความดีของโพธิสัตว์นี้จะต้องไม่มีข้อแม่ใดๆแม้จะได้รับการเอาเปรียบก็ต้องยอมให้คนอื่นเอาเปรียบแม้จะได้รับการกูุ่กดขี่กุ่มเหงก็ต้องยอมให้คนอื่นกดขี่ก่มเหงแม้เขาถือดาบสาราอาวุธมาเพื่อทีอ่จะบันฟอตัดเอาัยวะร่างกายเป็นชิ้นน้อยชิ้นหนก็ต้องยอมให้เขาทําอย่างนั้นโพธิสัตว์อยากจะบันอยากจะสําเร็จเป็นโพธิสัตว์เร็วๆ ไปอยู่แถวภาคใต้เขาอยากจะฆ่าไงก็ไปให้เขาฆ่าเลยให้ฆ่าเอ็กว่าฆ่าจนน้ำใจน้ำใจเดี๋ยวไอ้ฆ่ามันก็เบื่อโว้เกิดมาครับตายเกิดตายเกิดตายวมันฆ่าตายฆ่ากันอย่างนี้ตายเดี๋ยวมันก็เบื่อมันเบื่อได้นะการฆ่ามันไม่เบื่อเบือไม่ได้นะอย่างน้อยฆ่าเสร็จแล้วคูไปตรวรกใช่ไหมล่ะพอไปตรวจโรค มันก็ถูกดาทันดันในนรกที่ไอ้พวกข้ามันก็หวาสรุวงตกใจกลัวในนรกพอเกิดขึ้นมาเป็นคนมันความหวาดรุวงตกใจกลัวในขณะที่ไปตกนรกนั่นแหะมันก็เสื่อม่งคนให้ขณะที่เป็นมนุษย์เวลาจะฆ่าใครเพื่อรู้สึกหวาสรุวงตกใจกลัวอยู่ภายในว่ไม่อยากจะฆ่าใครแล้วเว้ยฆ่าฆ่ากันแล้วมันันไม่ดีจะรู้สึกอย่างนั้นการได้รับโทษอยงี้แล้วคนที่ไปยอมที่ถูกฆ่าก็ได้บําเพ็ญบารมี บำเพ็ญบรารมีเรื่องอะไร บ, บ, บรารมีในด้านไหนทานบรารมีเหรือหรือบำเพ็ญบรารมี<ๆ>เรื่องอะไ ร, รขันติบรารมีเดีย๋ยวไหมขันติบรารมีที่บำเพ็ญกันในครั้งก่อนๆถึงขนาดว่าถูกตัดตัดหูก่อนนะตัดหัวตัดจมูกตัดแขนตัดขาก็ไม่กวดขันติปดทนไว้ ต้เพราะดาวบทด้านใต้คนที่ตัด ก, ก็ถูกแผนดินสูบลงสู่อวัยวุฒิ ท, ทันทีก็ไปถูกดักซัดดานอยู่ที่น่นอีกชอบฆ่านักเลือยเนี่จัด ก, การเลยทีนี้ไปถูกฆ่าอยู่ในนรกว่าการฆ่าเป็นยังไงมันเจ็บปวดแสนสาหัสแค่ไหนคนที่ฆากันนี่มันเป็นยังไงก็จะทราบได้อยู่ในนรก แล้วคนยุคนี้บอกว่านาลกไม่มีหรอกจะไปไงเมื่อปฏิเสธว่านาลกไม่มีเกิดอะไรขึ้นความกลัวมีไหมความเกรงกลัวต่อกดหมายบ้านเมืองมีไหมความเรามัดระวังป้องกันกายกายของตัวเองที่จะไปกระทำร้ายคนอื่นมีไหมความเมตตามีไหมความกรุณามีไหมความมูทิตามีไหมไม่มีความดีอะไรไม่มีสักอย่างเลยพวกที่คิดจะฆ่า เมื่อมีมีความดีคนที่กิจะฆ่าจัดอยู่ในพวกไหนมีชาติที่ดีใช่ไหมมีชาติที่ดีคืออยู่ในวังวนแห่งความมืมดมนเพราะไม่คิดว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเลยวไร<ส>เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องเล้วไรแล้ว<ส><ส>การตั้งใจที่จะประพฤติตนเป็นผู้งดเว้นจากการการะทาไม่ดีจะเกิดขึ้นได้ไหม ไม่ได้ใชไหมล่ะเพราะไม่ได้เชื่ อ, อ ไ, ไม่เชื่อว่ามันจะมีบุญบาปจะให้ผลได้ก็มัวแต่คอยกดขี่ความเห็นคนอื่นทีนี้ใครเป็นบริษัทก็ไปหาอย่างเปนเนี้ยนะเป็นบริษัทก็ไปหาปคนที่ชอบฆ่าเนี้ยขอให้มันฆ่าถูกใจเลยนะเ พ, พาราะผู้ได้เจ้าเราก็อยู่ในวิกีที่การถูกตามฆ่ามาไม่รู้กี่พบกี่ชันในะผู้ได้เจ้าเราแต่เจอวระเทวทัตเกิด เทวทัตก็ฆ่าอยู่ตลอดนายเวดผู้หญิงก็ยอมตลอดยอมมาตลอดใช้เมตตาทุกชาติผู้หญ้าเจอเทวทัตก็เมตตาทุกชาติเทวทัตเจอผู้หญ้าก็ใช้แต่แรงอาฆาตความมีเวรต่อการทุกชาติเหมือนกันสมัยที่พระองคเกิดเป็นชา้างเทวทัตเป็นนายพา น, นาชา้างเป็นเดรัจฉานนายพรานคือมนุษย์ซึ่งซึ่งสูงโสงกว่าจะเป็โดยฐานะใช่ไห ม, นะไหมสัตว์ต่ำกว่าแต่เป็นพญาชา้าง ปกติจะต้อนช้างออกไปสู่ที่หากินปกติพญาช้างจะต้องเดินนำหน้าทีนี้เทวานาศเป็นนายพานมาจากข้า บ, บริวารของพระพุทธเจ้าที่เป็นพญาช้างคือดักค่าสัตว์ที่เดินตามหลังที่เป็นตัวน้อยทุกวันทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทุกวันเพื่อเอาง่ายเพื่อเอาเอาอะไรเอ า, เ, อ า, เ, อาเนื้อเอาหนังไปทาการค้าขายพญาช้างก็เลยที่เราเอ๊ะทำไมบริวารเราลดลง ไม่แด่การเนะีแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินตามหลังสุดท้ายสุดให้บริวารเดินออกหน้าไปก่อนช้างบริวารก็เดินออกหน้าไปก่อนพายาชา้างเลยเดินตามหลังทีนี้นายพลซึ่งคือเทวทัศน์จ้องแล้วไงจ้องจัดจอจะจัด ก, การกับช้างตัวสุดท้ายซึ่งเขาจว่าเป็นชา้างที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร จับได้ง่ายให้พญาช้างไปข้างหน้าฟ้าบอกว่าไม่ได้จ้องดูพญาช้างข้าไปก่อนหรือเปล่าเทวทัตชนะลาใจผู้เคยฆ่าได้ทุกวันไอตัวสุดท้ายนี่กเกษคูอีกแล้ววันนี้<ม>ถือหอกได้เห็นได้ตัวสุดท้ายเดินมาถือหอกได้กับรีดกูเข้าไปเราจะเอาออกสองแขนไปที่ขั้วหัวใจพญาช้างนี่ระวังตัวตลอดอยู่แล้วเป็นพญาช้างระวังตลอดอยู่แล้วเห็นเทวทัตเข้ามาปุ๊บอะ ยกเท้าขึ้นเลยยกเท้าขึ้นจะเหยียบปราว่าพระเทวะเทวทัตนี้เอาผ้าผ้าจีวร อ, อย่างเนี้ยคุมตัวไว้พญายางเห็นเทวทัตเอาผ้าในผ้าเนี่ยเอาผ้าจีวรคุมตัวไว้ก็เลยก็เรียกว่าให้ความเคารพต่อผ้าเพราะพญายางนี้ได้มีความเคารพต่อพระฤาษีองค์หนึง่งที่ที่ทรงจีวร อ, อย่างนี้ เลยไม่ไม่เหยียบเข้าไปเพราะความเคอะเในผ้านี้เทวทัตพึกรอดยงเลยบอกเทวทัตว่าอยา่าอย่าอย่าทำอย่างนี้สุดท้ายเทวทัตก็รอจังหวะวที่พญาชา้างเผลออาหอกแทงพญาช้างหันกลับมาก็ซัดเต็มที่ ตายว่าอะไรหรือไม่แน่ใจหรือฆ่าได้ฆ่าพยาช้างได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะฆ่าได้แต่ตายแล้วเทวทัต ก, ก็ตกนรกฆ่าสัตว์ที่เป็นพยาคนฆ่าตกนรกฆ่าสัตว์ทั่วไปอาจจะไม่ตกนรกแต่ฆ่าที่เป็นพยาพยาช้างพยาสัตว์แต่ลกสัตว์แต่ละชนิดมันจะมีพยาของมันอยู่บัวมีพยาไหมพยาบัว มีนะพญาบัวโคอสุภาอัสุภาโคอสุภเป็นโคที่เป็นโคเอโคอันเลือโคใหญ่โคโคเป็นพญาโคช้างก็มีพญาช้างได้มแบบเป็ดไก่เนี่ยมันมีพญาพอมันอยู่มีไหมเอเลี้ยงไก่มามีพญาไมมีอะนำพญาไก่มีป็นำพญาเป็ดมีนะ พญายูพญานาคพญากึ้งพญาเป็นพญาไก่ไม่เหรอมีนางพญาพึ้งมีนางพญาขวกมีเอาพวกอย่างมันก็มีกับพญาพวกมันไงมนุษย์เรายังมีพญาอะไรยังไพญามนุษย์มีไหมเขาก็พราช้างไงคือพญางพญามนุษย์ ้ามีพญาเป็ดไก่ก็ต้องมีพญาพวกมันอะอะไรเป็นพญาเป็นพญาไก่กินนารีกินนารานแลวังเนาะเพวกสัตว์ปีกไหรือว่าพุทธนะพุทธเป็นพญาของสัตว์ปีกสุ้งใสพญาของหน้าหน้าใช่พญาเป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่พญาผู้เป็นใหญ่ ด้วยคบตัวพญ า, าเพราะว่าพญาเนี้ยไม่จะเกิดอยู่ในสัตว์ในชั้ชนก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีมากมคือความเป็นไปใน้เขาบอกว่าคนมีบุญบารมีมากทำไมที่ไปเกิดเป็นสัตว์ในชั้ชนล่ะก็ไ<ม>หนว่ า, าบุญมากก็เกิดมาเป็นคนทําไมต้องไปอยู่ในกับเนสัตว์สุนัข ก, ก็จะมีพญาถ<ม>ิงโตก็มีพญ า, า, า, า, า, าเสือก็มีพญาพญาเสือคนมีบุญมาก ผู้มีบุญมากทำไมจะต้องไปอยู่ในกระบื้สันได้ชานะนี่คือความไม่แน่นอนของว่าต่าวาละแห่งการเกิดไม่มีใครสามารถกําหนดได้ว่าจะเกิดในที่ไหนไหนเหมือนกับโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศไม่มีใครรู้ว่าท่อนจะลงทางหัวจะลงทางท้ายหรือจะลงตรงกลางคํานวณได้ไหมละ่ะโยนขึ้นไปเนี่ย thon ไม้ขนาดเท่านี้แล้วโยนเพื่อไปบนอากาศมันจะตกลงทางด้านไหนด้านหัวหรือด้านท้ายหรือด้านกลางคำนวณไม่ได้ดวงกิจที่มันเกิดตายเกิดตายแม้จะมีบุญมากแค่ไหนก็าตามก็ไม่สามารถคำนวณได้ว่าจะไปตกอยู่ในกำเนิดสัตว์ที่ดิฉันเปิดพิพิธสารสุทรไกรเทวดานมนุษย์ครับ ก, กำหนดไม่ได้เนี่คือความไม่แน่นอนของวัตถุแม้แต่โพธิสัตว์ก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน อาจจะมีบุญบา ร, รมีมากแต่กรรมเก่าซึ่งไม่รู้แต่ชาติปางไหนที่เคยทําไว้ก่อนที่จะมาสร้างบา ร, รมีเนี่ยกรรมพวกนั้นยังจะสืบเนื่องมาให้ผลอยู่ในขณะที่ยังต้องเวียนไหวใจเกิดอยู่เนี่ยจึงไม่จึงหาความแน่นอนใจไม่ได้ผู้ย่อมจึงสอนไม่ให้ประมาทแต่ผู้เจ้าทรงสอนสิ่งที่เป็นเครื่องรองรับจิตใจให้เกิดความแน่นอนใจเพื่อ ไม่ให้ไปตกอยู่ภายใต้อบายภูมิชั้นต่ำก็คือคืออะไรคือ เ, เครื่องรองรับใจของรุดไม่ให้ตกไปภูมิชั้นต่ำในหมู่ของชาวพุทธเราผู้เจ้าสอนให้ยึดถืออะไร<ม>พระราตรนตรัยใครก็ตามยึดถือพระราตรนตรัยตลอดสิ้นชีวิตจะไม่ตกไปสู่อบายภูมิเลยอันนี้นคือความแน่นอนใจนเหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในแม่น้ำปกติมันก็ต้องจมใช่ไหมล่ะ แต่พระราัาตนตรัยเป็นประดุลดังเรือเรือไปรองรับไว้ไม่ชมไม่รงสู่ใ<ม>ายคนทะเลใต้คนไปนะดวงจิตของเราเหมือนกันเมื่อละชีวิตจากล่างมนุษย์ไปแล้วมักจะตกไปสู่ทุกคติเป็นส่วนมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ตายแล้วไปสู่กาเนิดชั้นต่ําประดุลดังคนของโกทุคตนะิเป็นคนของโก ตายแล้วไปสู่สุขติภูมิประดุดดังเขาของโกเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสอนไว้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจคนตายแล้วไปสู่สุขตินั้นน้อยมากยากมากแล้วคนไปสู่ทุคติง่ายมากแล้วก็มีเยอะมีจํานวนมากแต่หากบุคคลใดก็ตามยึดนาต า, าตาใจตลอดชีวิตบุคคลนั้นจะไม่ไปสู่ทุกคติเลยตลอดแสนกลับเลยกลับที่ด 0,000 น ยังไงัวเลี้ยวโมต่ออาจจะได้ตกก็ได้เพราะค้น้นจากอันุภาพในการคุ้มครองรักษาได้แต่ในอธิสฐสนของพระพุทธเาใบอกไปว่าแม้ในเท้าถึงกับที่หนึ่งแสนอธิสฐสนนี้ก็จะบังคับให้จิตดวงนั้นต้องรู้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกใดพู้หนึ่งแน่บังคับว่าอย่างน้ เหมือนกับก้อนหินที่ตกลงไปในเรือแล้วเรือคือพระรัตนาใยมีคิศทางเดียวคือมุ่งไปสู่ฝั่งฝั่งอะไรฝั่งพระนิพพานคือที่อันปลอไปเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นชาวพุทธจึงไม่ควรประมาทในการปฏิบัติตนต่อพารัตนาใยให้ถูกต้องอย่ายึดถือรัตนาใยแบบผิดๆต้องยึดถือรัตน า, ตายใยโดยความเป็นพารัตนาใจให้ดีมิเช่นนั้นพาดหล่นจากเรือก็ได้ ตกไปสู่ภพภูมิชั้นต่ำได้นี่คือความสำคัญที่ได้กล่าวสอนมาโดยตลอดว่าควรจะยึดถือพระดาตาไต้โดยความเป็นพระดาตาไตไว้ให้มันกบเสียงโทรศัพท์ุกวันนี้มันหลายเสียงเ <c oughs> สียงสบายใหม่มีถามอะไร ทั้งก็มาเยอะนะนา ทองมันทล้ล้วนหน้าแล้วคนเมื่อสิ่<อ>งที่รูสึกดอออีอย่างเงี้ยอย่าว่าอย่าว่าแต่ในแผ่นทองเลยมันตกครั้งในเนื้อในหนังในเอ็นในกระดูกในเส้นเลือดเราทุกส่วนเลยลองคิดที่ดีมันฝังอยู่ภายในเนี่เนี่แหละที่ทํำไมกระดูกมันกลายเป็นพระธาได้ก็คือมันปลูกฝังและบรรจุไว้ด้วยอนุภาพความดีทั้งหลายที่จิตของพระเจ้าจิตของคนลผู้ตั้งในภูส่ว มันสามารถเปลี่ยนได้แป็สภาพเป็นพระธาได้พอจิตของพระเดียเจ้าท่านจะตั้งจิตปารสนะดีอยู่เสมอแต่ถ้าอย่างโยมคำเนี่ยมันไม่ใช่ฝังเฉพาะในแผ่นอะไรที่เขาวางแผ่นทองแผ่นเพื้นมันฝังอยู่ทีหมดเลยเนื้อหนังเอ็นกระดูกฝังอยู่ในนั่นหมดคือบอกเขาว่าอันนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์ว่าคือบกว่าอันนี้เป็นกุศลบายเข้ากันเพราะไม่ใช้แผ่นทองนะมาแปะคุณก็นึกว่า อเที่ทให้นาดีรสอจริงๆมันไม่นใช่อันนั้นก็เป็นวิชาที่ผิดเยว่ามันเป็นวิชาจริงมันไม่ใช่จริงะชอบฟังเสือมันไม่ใช่อแผอนลักแล้วมา่อยากจะให้มีสนาราศีราศีคืออะไรความดีของเราราศีมีความหมายว่าไง ความสว่างใช่ไหราศีคือความสว่างสวัยใช่ไหมแสงทีห่หน้าสว่างไม่เห็นอยากเอาไฟมาส่องหรือไฟสายส่องไปที่หน้าสว่างแล้วอะติดแผ่นทองทำไมเขเลยว่าไอนี่เป็นิจบาแล้วก็ม่อะไรจิตแต่ยไม่ได้ว่าจิตเรามันจะดีมันก็คือดีเข้าใจไหมเรารู้ขนาดจิตของเราในขณะที่มันดีหรือไม่ดีแค่นี้แหละไม่ต้องไปให้หน้ามันราศีราเสออะไรให้มันมาก คือคนที่เขามาติดมาต้องพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนตัดทิ้งอย่ายึดถือแล้วก็ใจสาณคมขาดย่องไปไปเลยบอกเขาว่าอันนี้เป็นศีลที่ต่ำมากอ่อย่างเช่นเราเรียนเรื่องก่ยัดสมุย่างไม่มีไหวครูมีอะไรแล้วก็จังหวะไหว้ก็ไหว้ลูกครูไม่ไหว้ครั้งเดียวนึกถึงความดีของท่านนี่เขามีพิธีเลใช่ไหมแต่ เดี๋ยวนี้ทำแต่น้องก็ไม่ทำน้องก็เลยหลีกไปก่อนเพราะตอนที่ไปนองถึงแรกนะโยงฝ่าถึงพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าไอ้แท่นนี้ยห้ามขึ้นเหยียบนะโยงก็ไอ้มันต้องมีเตือนอะไรสักอย่างนะว่าทําไมถึงห้ามเหยียบการเส้นสวงเส้นไหว้การทาการบูชาไม่ว่าจะเป็นการบูชาในแบบไหนๆก็ตามนั่นคือกิจจากเัาคำสอนพระเจ้าเป็นภาษาสดาเราพระองค์สอนให้สาวก เส้นสงเส้นไหวพระองค์ไหมพระองค์เป็นครูของของทุกคนใช่ไหมในในในหมู่ของชาวพุทธพวกองให้ไหว้ครูไหวพระองค์เป็นครูมีพิธีไหว้ครูไหมไม่มีพิธีไหว้ครูไม่มีพิธีไหวพระพุทธเจ้าไม่มีเด็กค้าเลยไม่มีบวงสวงพระเจ้ามีไหมแสดงว่าพิธีไหวครูอื่นๆอีกเนี่ยนอกเหนือจากคําสอนพระพุทธเจ้า เป็นคําสอนของครูครูอื่นไม่ใช่ครูของพระพุทธองค์พุทธองค์คือผู้เป็นครูของเราไม่ได้สอนให้ไหว้ครูไม่ให้วงสวงครูโพบอกให้ปฏิบัติตามคําสอนของครูตามปฏิบัติตามคําสอนของครูชื่อว่าเป็นการเส้นไหว้ครูวงสวงครูบูชาครูแล้วอะไรยังแกนี่เองยังก็ไม่ทําแล้วก็แม้อัตมาเอกก็ตายก็ตามนะตายไป ใครจะมาทําการเส้นสวงเส้นไหวอัตมาด้วยวิธีการจัดสักดิ์ศรัทธารพบจับบูชาจัดเคารพอัตมาสูงสุดแค่ไหนก็ตามแล้วทาวิธีเส้นสวงเส้นไหวอัตมาขึ้นมาด้วยรูปแบบที่เขาเส้นสวงเส้นไหวกันอยู่อัตมาขอถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่ลูกศิษย์และเป็นพวกพิชชาทิฏฐิวงไม้แทรกเข้ามาให้จัดการขับออกจากหลักปฏิบัตินี้ได้เลยไม่ให้ยอมรับเด็ดขาดการยึดรืออย่างนั้นเป็นความวงไม้แต่ศีลธรรมตาประมา นี่ในทักษณะคติของตาานะคนอื่นเขาจะว่ายัางไงก็ตามนัน่นคือส่วนของเขานะแต่เรานอามาพูดคุยศึกษาเราสื่อสากันตอนแรกก็กะว่าจะไปเรียนฝานกรถ่องที่อยู่ถ้าไปนี่มันจะต้องซืง้โอโครงการอะ ความมั่นคงภายในใจเป็นความมั่นคงภายในใจแล้วไปเส้นสวงเส้นไหวกันมันยุ่งอยู่เราก็บอกออกวิชาทุกวิชามันมีครูเราต้องไหวครูลแล้วพุทธเจ้าก็สอนวิชาพุทธศาสตร์วิชาธรรมะให้กับสาวกพวกมันก็ได้บอกให้ไหมอย่างนั้นไม่ให้เส้นสวงอย่างนั้นเอง พัฒนาใจแบบทุกคนละภาพเข้าใจไหมล่ะทุกคนละภาพอ่อนแอเด็กยเขาคืมีปัญญานะใช่ปัญญาเป็นสิ่งที่ดีเขาคืดแล้วมันปัญญาเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเชื่อความเชื่ออาจจะเป็นไปเพื่อความงมงายได้แม้แต่แม้พระพุทธเจ้าจะแสดงศรัทธาถือความเชื่อเป็นหลักอันดับแรกก็จริงศรัทธาศีลสุตตะชาคัพัญญาแม้วงจะสอนศรัทธาเป็นอันดับแรก แต่ศรัทธาที่ขาดการไข้ควรมันจะเป็นโมหะขาดการแยกแยะสัตว์คือเชื่อโดยผาดการแยกแยะเชื่อโดยไม่มีการพิจารณาเชื่อโดยไม่มีการเทียบเทียงความถูกความผิดเชื่อตามๆกันไปเชื่อเพราะยึดถือเชื่อเพราะอยากจะได้วิชายอยากจะเรียนรู้อย่างเงี้ยแล้วก็ทาตามเข้าไปอันนี้เป็นโมหะปกคลุมจิตถ้าโมหะปกคลุมจิต แม่วิชาจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ก็เป็นวิชาที่ถูกปกคุมด้วยโมหะมันมนคนละเส้นทางแห่งภาษาศาสนาผู้เจ้าให้มีปัญญาในตนมีศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องตามแนวทางแห่งหลักของภาษาศาสานาเพราะฉะนั้นการที่เราจะเชื่อได้แสดงว่าเรามีหลักไว้ในใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราต้องมีหลักหลักของเราคืออะไรรัตนตรัยในหมู่ของชาวพุทธ เรมีลักพัฒนาใจไว้อยู่แล้วยืนยันอยู่แล้วว่าในพัฒนาใจสอนอย่างไรพรฒนาใจให้ยึดถึงอย่างไรพรัฒนาใจให้ปฏิบัติอย่างไรพรฒนาใจให้วางจิตวางใจอย่างไรสอนตามสอนพัฒนาใจแล้วก็เดินตามพัฒนาใจที่ผูกสอนไว้แค่นี้เองเป็นหลักก็จะคิดถึงต้อง ขนาดเรียนกดจุดนี้ก็ยังไม่มีไหวใช่ไหะเาอเขาบอกยแผ่ความความรู้คือความรู้นะเขามีจะให้ตอนให้ตลอดอย่างยอย่ามึงคดเห็นราะนี้นะคือจะชอบีนะคือการแชร์ต่อนะีพี่มแชร์เป็นคาพูดของมันได้ยังไงการแชร์ต่อจะได้บุญต่นี้มัไม่ใช่พี่ว่าดูนี่จะดีนะอะไรเงี้ยพี่เชื่อจุอนีจุอแชร์ต่อ เขาคงไม่ได้กหรอเขาไม่รู้เขาก็รับมาอย่างนั้นเรามีปัญญาเราก็แยกแยะออกเราก็ไม่รับตามเขาส่วนคนที่เขาส่งมาเขาเข้าใจว่าชีวิตเขาจะดีด้วยวิธีการอย่างนั้นหากคนเราเข้าใจชีวิตไปไม่ตามกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่ต้องไปโชงไปแชร์อะไรคนทั้งโลกมันไม่ได้ดีขึ้นแชร์ปุ๊บถูกไม้ปักเขาว่านี้แชร์ปุ๊บจะได้โชกไปในเก็บบ้านสมัยก่อนเขียนเนาะสมัย ส่อนที่ยาลานาเอาไห้ควรเอาปกกิดเอา Oh uh -huh. ทิศทางของพลังไตเป็นไปในด้านไหนพูดไปเยอะมันก็กระเทือนไปหลายกลุ่มพูดไปมากก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขัดเคืองในกลุ่มที่เขาติดยึด ก, กันอยู่มันเป็นเรื่องของการติดยึดเมื่อติดยึดแล้วมันผิดนอะอะไรก็ตามแม้จะดีแค่ไหนถ้าติดยึด ก, ก็ผิดพระเจ้าบอกว่าคําสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจจกรร หากยึดถือในสัจจคก็ผิดเพหลักของสัจจมีไว้เพื่อปฏิบัติไม่ได้มีไว้เพื่อยึดถือสัจจไม่ยึดถือไม่ได้ถ้าใครเข้าถึงสัจจจริงมันจะไม่มีอะไรยึดถือได้เลยไม่แต่ตัวสัจจเพราะสัจจเป็นสัจจภายในโลกธรตุนี้หากิตได้ก็ตามรู้ธรรมชาติแห่งนิพพานแล้วแม้แต่สัจจมันยังต้งทิถ้าพิงสัจจยังไม่ได้ก็เข้านิพพานไม่ได้ แต่เบื้องต้นต้องอาศัยสัจจประกอนเรียนรู้ตามสัจจประกอนจนทราบสัจจเพราะสัจจเป็นเครื่องแสดงออกของสรระสังขารสิ่งที่เป็นสรรพธรรมทั้งหมดในอสรรพธรรมไม่มีสัจจมีแต่นิพพานคือดับเพราะฉะนั้นสัจจที่บอกทรงสอนอนุจารู้ควังอนัตตาเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นเป็นสิ่งอยู่ในโลกีย์เป็นสรรพธรรม ยึดก็ไม่ได้แต่เอาไว้ใช้ในขณะที่ปฏิบัติจิตจนก่อนจะถึงนิพพานเพระถึงนิพพานแล้วแล้วในนิพพานที่เราใช้อะไรจึงไม่อมีการยึดหรือในสิงขปวงบอกเอายึดนิพพานเลยนิพพานพูดที่ถึงนิพพานจริงเขาจะรู้ว่านิพพานเขายึดไม่ได้เพราะอะไรเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแตง่งเพราะการยึดก็ยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ในนั้นจะไปปรุงแต่งให้ยึดว่านิพพาน มันไปปรุงทําไมก็มไม่มีสภาพในการปุงเอาแล้วก็มันพบในในบาลีบอกว่านิพานังปะละมังสุ ข, ขังในนิพานมีสุขมันต้องมีสุขให้ได้อยู่ให้เสวยสุขขังในความหมายที่พระองค์ทรงตรัสถึงนะั่นคือไม่มีทุกข์ไม่ใช่สุขแบบที่เราเสวยกันอาการที่มันดับการเกิดได้ทั้งมวลแล้วยุติการเกิด ไม่เคลื่อนไปสู่พบไหนไหนอีกยุติหยุดดับดับการเกิดเฉพาะตนดับการสื่อต่อในพบอื่นๆมันก็ไม่มีทุกข์แล้วเพราะการสืบต่อในพบคือการสืบต่อของขันขึ้นชื่อว่าขันคือชื่อของความทุกข์ขันนี่เป็นชื่ อ, อความทุกข์นะผู้เจ้าที่รู้ขันรูป้ปขั น, วขนเวทนาสัญญาสังขันวิญญาณขันเน มากมากเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้แหละคือเหตุที่เรายึดหรืออยู่นี่คือเหตุยึดเพื่อหำนาจแห่งปัญหาอยากที่ไหนก็ยึดที่นั่นใช่ไหมล่ะยิ่งอยากก็ยิ่งยึดยิ่งยึดก็ยิ่งอยากอยู่นั่นแหละวนเวียนอยู่นั่นอ๋อยากก็อยากในขันนี่เองไม่ได้อยากในอื่นอยากคนทุกคนมีความอยากในโลกนี้ก็อยากในรูกอยากในเวทนาอยากในสัญญาอยากในสังขารอยากในวิญญาณนั้นอยากในลูก อย่างในแบบไหนอยากให้รูปตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้รูปดีมวดีฟิตแอนดเฟิร์มทำกันขึ้นพากเพียรกันขึ้นอยากให้รูปอยากในเวทนาอยากให้สุขคงที่อยากให้ทุกน้อยลงใช่ไหมอยากในสัญญาอยากจําแต่เรื่องที่ดีๆไอ้เรื่องที่ไม่ดีไม่อยากจะจําเอ้ยไปคิดทําไมว่าเรื่องเนี้ยเรื่องที่มันร่วงไปแล้วคิดทําไมเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเรื่องที่มันพุ่นไปคิด เกลียดคนนั้นคิดโกรธัวนี้รู้ว่ามันไม่ดีก็ยังคิดโกรธคิดเกลียดเขาอยู่มันคิดไปได้ยังไงความทรงจำมีอยู่เป็นสัญญาขันก็รู้ว่าทุกสังขารความคิดอยากในสัญญาอยากคิดให้ดีอยากคิดในสิ่งที่ถูกต้องอยากคิดเป็นผู้เลิศทางด้านความคิดอยากในความคิดก็อยากในขันอยากในขันนั่นคืออยากในทุก ยึดมีทุกยิ่งอย่างก็ยิ่งยึดอย่ากในวิญญาณคือการรับรู้อยากจะรับรู้แต่สิ่งที่ดีอารมณ์ที่ดีเจอทำมาอารมณ์ที่ดีทำมาอารมณ์ที่ไม่ดีไม่อยากจะเจอไม่อยากให้สัมผัสกับจิตไม่อยากจะพบไม่อยากให้ผ่านเข้ามาในชีวิตอยากจะสัมผัสแต่ทำมาอารมณ์ที่ดีเบิกบานสดชื่นก็อยากในขันอยากในวิญญาณขันอยากรับรู้แต่สิ่งที่มันดีๆในวิญญาณเป็นยังไงในที่นี้ก็ทุกข์อีกทีนี่ พออยากในขั น, นก็อยากในทุกอ๋อนี้เหตุที่เกิดทุกพอไม่อยากอ๋อนี่ความดับไปของทุกเราไม่ต้องอยากวันรูปประคันเป็นอยู่อย่างไรให้เข้าใจมันและจัด ก, การตามธรรมดาที่มันควรจะจัด ก, การสัญญาสังขันวิญญาณเคยรู้มาตามความเป็นจริงเกิดตามเคยดั บ, ดดบอ๋อนี่เหตุที่ความดับไปของทุกพอรู้จัก รู้เวทนาสัญญาสำคัญวิญ ญ, ญาณการรู้จับทุกรู้จักเหตุที่เกิดทุกรู้จักความดับไปของทุกอ๋อนี่เป็นทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกมันจะทราบขึ้นมางี้ก็อ๋ออขึ้นมาเมื่อเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันจะดับทุกภายในตัวของมันเองคือปล่อยวางจากการยึดถือในขันจนรู้แจ้งในอธิจักรทุกขังอนัตตาชัดเมื่อรู้แจ้งในอธิจักรทุกขังอนัตตาชัดรู้ตัวอธิจักรโดยตัวของอธิจักรอธิจักรมันมีตัวจริง น, น, นะมันมีตัวอธิจักร แต่ไม่ใช่ตัวแบบอตตาแต่มีตัวแบบสภาวะวิปัสนาที่จแย่งเห็นชัดลอนจังเป็นยังไงเห็นตอนหน้า่ตานี่แหละมันาดตอน้าตตานี่แหละตัวของมันเป็นการาปดแบบเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ไม่มีตัวเป็นอตตาเดี๋ยวจะหาว่ามีตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นอตตาอีกไม่ใช่มีแบบเกิดดับเกิดดับดไปทุกครงก็มีตัวของมัน นะถ้าใครอภิปรัสนาแจ้งแจ้งด้วยมรรคคิมแล้วจะทราบทุกคุณลักษณะแบบตัวแบบเป็นแบบไห น, นโหจะชัดต่อหน้าต่อตาเลยอนัตตาก็เหมือนกันมีตัวเออนัตตาแปลว่าไม่มีตัวแล้วจะมีตัวได้มีตัวไม่มีตั ว, ต, วนะตัวที่มาแสดงความไม่มีตัวนะั้คือความสลายจะเห็นชัดลักษณะ3มแต่ในอาการเดียวอาการอาการที่เกิดระดับนั่นเอง ลูกยาจึงเห็นการเกิดการดับสมุทัยวันเกิดนิโรธวันดับสมุทัยวันเกิดนิโรธวันดับอะไรเกิดความไม่รู้เกิดอะไรดับความไม่รู้ดับเห็นความไม่รู้เกิดสังขารจึงเกิดเมื่อสังขารเกิดวิญญาณเกิดเมื่อวิญญาณเกิดนำรูปการเกิดนาำรูปเกิดอะไรเกิดอายตนะเกิดนั่็รู้ความเกิดอ๋อเมื่อความไม่รู้เกิด ตัวนี้จะเกิดเกิดเกิดเกิดอันนี้ขึ้นมาพอเขาไปรู้มันทีนี่พอเขาไปรู้ปุ๊บความไม่รู้ก็ดับไปก็เป็นนิโรธความไม่รู้ดับก็เป็นนิโรธเอาสังขารก็ดับวิญญาณดับนามรูปดับอายุรดดับภาษาดับเรีนรดับเอาดูเกิดดูดับของความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในสังขารใช่ไหมล่ะอะไรคือสังขารอีกกี่ทีนี่เล่ยตัวไปทิสังขารมีกี่อย่างกุศลสังขารอกุศลสังขาร บุญกับบาปกุศล ส, สังขารปรุงแต่งขันท่าที่ดีอกุศล ส, สังขารปรุงแต่งขันท่าที่ไม่ดีเนี่สังขารลาปัยญาบิญยาณังเมื่อปรุงแต่งสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไว้ขันที่ดีหรือขันที่ไม่ดีไว้ก็จะสืบต่อวิญญานไปกระทบิชนที่ในอันที่ดีหรือไม่ดีที่ปรุงแต่งไปนะั้นเอางา่ายๆว่าเราฟังธรรมมากเนี่ยปรุงแต่งบุญหรือปรุงแต่งบาป <Okay. S 1> บิญญาณจะสืบต่อสวัรด์หรือนรก แล้วเมื่อเมื่อมันสืบต่อสวรรค์แล้วจะเกิดน้ำมารูปในสวรรค์หรือในโลกบุพเพนียตายขนาดนี้จะผุดเกิดที่ไหนสวรรค์เนี่ยมันปรุงแต่งน้ำรูปแล้วเมื่อได้น้มารูปบนสวรรค์แล้วเกิดอายตนะบนสวรรค์ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจจะซ้ำหัสรับรู้สิ่งที่เป็นทิพย์ใช่ไหมบนสวรรค์ใช่ไหมเมื่อภาษาอยู่บนสวรรค์อายตนะทัหกผัสสะเป็นปัจจัยที่เกิดผัสสะกระทบเกิดสุขบนสวรรค์ใช่ไหมหล่ะมันเป็นทิพย์ทุกอนิดหน่อย ไม่สูงวกกินทุก็ส่วนมากแต่สูงจะเป็นมากมากคือสูงผัสสะอยู่บนสวรรค์เวท น, า, นาอยู่บสวรรค์อุปทานเวทนาตั้หายะล่ะตั้หาอุปทานพบท่าสืบกันอีกนะอยู่บนสวรรค์ถามว่าเอาละไทยยังไม่ตายละ่ะมันสื่อต่อในใจไหมตอนนี้สื่อต่อในใจเป็นกุศลสังขารเกิดขึ้นในจิตใช่ไหมตอนนี้กุศลสังขารเกิดขึ้นในจิต วิญญาณปฏิสนธิในจิตคือสืบต่อกุศลนี้อยู่ในจิตใช่ไหมตอนนี้เกิดนามเกิดลูกในกุศลธรรมตอนนี้นามก็คือสภาพแห่งจิตที่รับรู้การฟังอยู่ในเวลานี้เป็นกุศลละนำในนามลูกก็สัมผัสถูกต้องทางตาหมมูจมูกลิ้นกายใจโดยตามครับตามตาหูจมูกลิ้นกายโดยการรับทราบรับฟังอยู่ในเวลานี้ เราฟังเสียงเห็นคำใช่ไหมละ่ะคือรูป น, นั่นเํากับรูปก็สื่อต่อกันอย่างนี้เป็นไปได้ให้เกิดภาษาเราก็สัมผัสกันอยู่เนี่ยสัมผัสกุศลธรรมอยู่ตลอดเมื่อเราสัมผัสกุศลธรรมเกิดอะไรภาษาเป็นไปได้ให้เกิดเวทนาสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างเราได้ยินได้ฟังอาจจะเกิดสุขนิดๆหน่อยๆหรือทุกในขณะที่นั่งฟังแต่ไม่ใช่ทุกเพราะกุศลธรรมทุกเพราะอาการของทุกขลักษณะในกายใช่ไหมละ่ะในทางรูปประกาย เก็บเมือ่อยแต่จิตมันรับรู้ทางนามเนี่ยกุศลเราสัมผัสมันจะได้เกิดความรู้มันก็จะเป็นสุขเพราะจิตมันได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจสุขเป็นไปใจนี้เกิดอะไรตัญหายะตัน า, านาาน้ำครับน้เกิดอุปทานก็ซืมเรื่องในพกไหนแต่เป็นกุศลกุศลเราพกกุศลที่นำสู่สพบที่ดีนเนี่ยหากเรารูศึกษาชัดว่า อ๋อสังขารนี้นำเกิดปุ๊บเราก็รับทราบรับฟังและเราเห็นอาการแห่งการรับรู้รับทราบในจิตนั้นสังขารคือกุศลอกุศลเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกดับไม่ปล่อยให้วิญญาปฏิชนที่เมื่อบุญเกิดดับเกิดดับกิดดับบาปเกิดดับเกิดดับบุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงมันก็เห็นการเกิดดับความไม่เที่ยงอย่างนี้เห็นนิ่จรงผู้ขังนาตาในลักษณะ3นี้เห่รู้เห็นด้วยอะตมาหรือเปล่าอะตมาเห็นอยู่คนเดียวนี่นะมัน นูดในฟังมีที่จะเห็นอย่างที่ว่าหรือเปล่ามันต้องอาศัยมี่ปัสน า, าอย่างแรงกล้านะมันงเห็นชัดนะทีปัสน า, านะเมื่อมี่ปัสน า, าเห็นอย่างนี้เอ า, อางี้ปีติที่เมื่อเกิดเมื่อคืนนี่มันดับไปแล้วใช่ไมัไป้วปีติที่เป็นกุศลมันดับไปแล้วใช่ไหมมันก็เห็นความม่เที่ยงอยู่แล้วในความเป็นกุศลใไมกุศลก็มีเที่ยงใช่ไมรล่าะ ไ, ไปอ่านบทพระปริตโสดาเสร็จพูดใ้เจ้าปติเกิดเกิดเกิดเกิดพราะเสร็จแล้วก็ทายดับแต่รู้สึกสบายขึ้นใช่ไหมอาการสบายเป็นผล หากเรามาฝึกดูว่าอ๋อแม้แต่ปีตีที่เกิดก็เกิดจากเหตุเกิดเกิดจากการสวดสารเสริจพระเจ้ากเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ระดับไปสิ่งที่สร้างไว้ไม่ดับคือความสบายในใจตัวปีตีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับแต่สิ่งที่มันสร้างไว้ไม่ดับคือความเบาความสบายในจิตเป็นปัญญาเป็นเชิงของการเรียนรู้เราก็มียึดถือแต่ถ้าเราคิดมากอยากให้ปีตีเกิดแบบ ว, วันนั้นอีก อันนี้ก็อุปทานไม่ได้เย้แ <c oughs> ม่หนึ่ง <c oughs> ทำด้วยความอยากจะไม่ใช่ทําด้วยความอยากไม่ได้เพ <c oughs> ้บันนั้นภาวานาดีจังเลยจิตเบิกบานอยากให้เป็นแบบวันนั้นคนละวันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่มาเดียวกั น, น, นถ้าเราบอกอยากให้เป็นแบบนั้นก็เหมือมนกับว่าอยากจะไปยอดอด้อนอดีตอดีตเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้หรือไปเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันนี้ คือไปเอาความสุขที่เกิดขึ้นในอดีตนะั้นมันเป็นปัจจุบันนี้มันเอามาได้ไห้หละ่ะเอาความสุขเมื่อวานนี้มาเป็นความสุขในวันนี้ได้ไหมไม่ได้เอาความทุกข์ของเมื่อวานนี้มาเป็นความทุกข์ในวันนี้ได้ไหมไม่ได้ทไม่ได้ทำไมเห็นทุกข์กันอยู่เรื่องผ่านไปแล้วไม่รู้กี่ ป, ปีเรื่องที่ไม่พอใจเอามาคิดเป็นทุกข์ทาไมไหนบอกไม่ได้ แล้วบอกจริงสิจริงครับอ้ามันจริงจริงไงแล้วเอามาทําไมเออเอามาไม่ได้แต่ความทรงจำมันมีใช่ไหมล่ะมันจําได้แต่เราไปเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังอาการที่เราหลงเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังที่เองมันหลงมันสร้างความหลงให้กับเราสร้างความผิดผิดให้กับเรามันเอามาไม่ได้เข้าใจไหมแต่อาการที่เราไปเป็นสุขเป็นทุกข์ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันเป็นความหลงผิดอ่มันเอามาไม่ได้หรอ มันเป็นความหลงผิดที่เราไปหลงเข้าใจในสีที่มันล่วงไปแล้วมาเป็นจริงเราไม่ได้เข้าใจมาเป็นสัญญาขัน เนื่องมาจากพระอาจารย์เทพเรื่องโจนความชื่อมาตลอดชีวิตที่ภาษาลิบุตรเป็นโจนเรื่องโจนข่าแดงได้ฟังหรือเปล่าเรื่องตจนข่าแดงได้ฟังเด็ดหมดใช่ไหมก็ให้นักโทษยินยอมบริจาคเลือดอวัยวะร่างกายที่จริงก็ดีการบริจาคเป็นหลักของโคตที่สามเลยนะนักโทษที่จะได้รับโทษประหารนั้น คือให้นักโทษที่จะได้รับโทษประหานั้นให้ยอมรับโทษประหารมันตัวเองแต่ให้ต่านจิตบริจาคเอาวาิญญะณให้เป็นกุศลธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ดี<ม>จะเป็นบุญกุศลติดตัวเข้าไป<ม>คือโทษที่ทําผิดไม่ลบหลังยังไงก็ต้องได้รับแต่ก่อนที่จะตายก็ให้บริจาคท่านจิตบริจาคเอาวิญญะร่างกาย ไว้เป็นประโยต่อคนอื่นจะเป็นสิ่งที่ดีมา ก, ากอวัยวะนั้นยังสามารถใช้การได้เป็นบุญบุศนแก่นักโทษดีความคิดอย่างนี้ดีแต่ไม่รู้เขาจะเอาไปทําตามด้วยหรือเปล่าทางบ้านเมยองเรา ไ, ได้แค่คิดเทนะ่านั้น ดีอยู่นะไตดี mm hmm. มันจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นอยู่อีกนาน mm hmm. คนก็บอกว่าเป็นนักโคตไม่อยากได้ไตมาหรอกไม่อยากได้ตับทมาอยากเห็นมัใจมาหรอกเดี mm ๋ย hmm. วมัใจจะเป็นแบบมันคนละเรื่อง mm hmm. จิตคือจิตใจคือใจ เรื่องอะไรต่อที so ่น no, ี no, no, ่ออกจากเรื no, ่องอะไรเมื่อกี้ออกจากเรื่องการบวงสรวงเหรอเกิดออกมาออกมาถึงวิชาตัสนาอุเบกฐานซะไดพอดีก็ที่บายยงกันมาการบวงสรวงเส้นไหวในว่ากรณีใดๆในตามพุทธศาสนาไม่สลับสนุนไม่สลลเสริญไม่มีในหลักคําสอนไม่มีในข้อปฏิบัติในกิจของชาวพุทธที่พึ้นกระทําแต่ชาวพุทธพอไปกระทํากันก็ให้ทราบว่ามันไม่ ถูกต้อง ต, องตองามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนก็บอกว่ามันไม่มีข้อห้ามก็น่าจะทําได้แม้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงบัญญัติไว้ไม่สอนไว้แต่ไม่มีข้อห้ามไม่เห็นผิดพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามโดยตรงจะไม่ใช้ความฉลาดบ้างเลยเหรืออะไรก็ต้องรอแต่ให้พระพุทธเจ้าห้ามจะใช้ความคิดตัวเองให้เป็นบ้างเลยเหรือ ปัญญาตัวเองมันเป็นบ้างเลยหรือรอแต่ให้พุทธองค์ปัญญิห้ามบ้างนั้นไม่ถูกกันนั่นผิด น, นั้นมีควรมันมันกระชั้นไม่ได้ควรจะคิดตามหลักพุทธผสงมของพุทธองค์ว่าพุทธองค์มีพุทธผสมอะไรมองพุทธผสมของพุทธองค์ให้ออกมองความต้องการของพุทธองค์ให้ออกแล้วมองเป้าหมายทองศาสนาที่นี่ออกเราจะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาของเราสอนทิศทางในข้อปฏิบัติไปอย่างไรกันแน่ว่า สิ่งที่แน่นอนที่สุดของโฆษศานคือความเป็นสัจจ์มองสัจจ์สิ่งในสิที่โง่สงสอนเนี่ยให้ถูกต้องมองให้เข้าใจเราก็ไม่ต้องไปมัวเส้นใหมวสารเสือชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นจะถึงแม้มันปฏิบัติตามคําสอนพระเยาทุกประการแล้วหรืออาจจะไม่ได้พบเพื่อนทุกประการแต่อยู่ในร่องรอยของหลักคำสอนหากมันไม่ดี มันจะตายในเวลานี้ก็ต้องยอมตายใช่ไหมล่ะเพราะเราเชื่อในาศาสนาของเรามันมันจะตายก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมแต่ปางฟังหลังที่มันจะให้ผลพราะเราเชื่อกดแห่งกรรมพราะศาสนาสอนให้เชื่ออย่างนั้นไม่ใช่มานับถึงพระร า, าตายแล้วตายคนไม่นับถึงพระราช า, ตายตายไหมตายให้เหมือนกันอะรอย่างนไไีตายเหมือนกันแล้วไปวิบากกรรมหมดอะไร ัวจะตายย็เป็นเส้นสวงเส้นไหวเส้นผีไหว้ผีอยู่นั่นไหวเทวดาก็ผิดไหวพรมก็ผิดเจ้าที่เจ้าทางผู้เจ้าบอกไหว่พ่อไหว้แม่ประเสริฐกว่าลูกที่ไหว้พ่อไหว้แม่ประเสริฐกว่าไหว้เทวดาและผมเพราะพ่อแม่เป็นปรุษดังเทวดาของบุตรเป็นปรุษดังพรหมขงบุตรไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ดีกว่าไหวเทวดาและผมไหว้ผู้เข้าผู้แก ปรเสริฐก ว, ว่าไหวธรรมดาและผมบางคนไปแย้งมาก็แย้งไปก็อย่าไปแยงป้ยแยงยังไงก็ต้องแยง้งอยู่ดีเรื่องในเรื่องนี้มันมีในโลกนี้มีเรื่องขัดแย้งมากมายเยอะแยะเพราะอะไรเพราะคนเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักไม่ได้เอาคำสอนของพระองค์เป็นหลักแต่ก็บอกว่า ศาสนาอยู่ จิตก็ติดอย่างนั้นก็เหมือนกันหาคิดอย่างนั้นจิตก็ติดเมื่อจิตติดก็เกิดการยึดเมื่อเกิดการยึดตายแล้วหนีไปไหนไม่ได้ก็หวงแขนของอยู่นั่นแหละต้องรอให้คนมาไหวถึงจะปล่อยวางได้เพราอันนั้นอีกานานอีาไกลในวัฏฏะเขาเขาพูให้ังนิยมก็แน่แ่ทไหวเาไหวล้วยึดอราอย่างนี้างตัวเราของเราก็ยังไม่มีเนร่างกายจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ร่างกายยังเป็นของกลางนะ ม่จะพูดให้ถูกต้องไม่มีใครเคยเป็นเจ้าของวัตถุสักชิ้นเลยในโลกนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของวัตถุสักชิ้นได้เลยในโลกนี้เราจะเป็นเจ้าของร่างกายตัวเรายังไม่ได้เลยเราได้แค่อาศรรัยตั่วเขาวร่างกายเป็นสาธารณะสัพทวัตถุทุกอย่างในโลกนี้เป็นสาธารณะเข้าใจไหมล่ะไม่มีเจ้าเออาาป้าเจ้าของโดยหลักธรรมชาติปริยจ้าก็บอกว่าทามที่โพธิมตสอนนี้เป็นสาธารณะ โฮงไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะโฮงละไปแล้วธรรมก็ยังอยู่เพราะเป็นสาธการันเป็นที่ทั่วไปหากคนใส่ใจในหลักธรรมคนคนนั้นก็จะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีมีเป้าหมายมีจุดยืนมีทิศทางมีหลักการในการประพฤติตนใช่ไหมละ่ะแต่คนที่ไม่สนใจในหลักธรรม มันก็มีอย่างอื่นเป็นเป้าหมายไม่มีหลักการทําทางรุทธศาสนาเป็นเป้าหมายไม่ได้ชนในหลักธรรมจริงหลักธรรมคือหลักคําสอนนะหลักคำสอนคือสิ่งที่อยู่เหนือกา ร, การประกอบพิธีกรรมทั้งมวลหลักคําสอนมีคุณค่ามากกว่าการ ท, ำทํำพิธีกรรมทุกชนิดก็เดินเข้ามาหาหลักคําสอนยึดถือเอาหลักคำสอนไปปฏิบัติเลยไม่ต้องผ่านพิธีกรรมก็มีไปเไร ถามะก็ผ่านพิธีกรรมก็ก็น่าจะไม่ผิดอะไรก็ผ่านแต่อย่ายึดติดกับพิธีกรรมอย่างเงี้ยแต่พิธีกรรมนั้นจะต้องไม่เป็นไปเพื่อความงม ง, งายหากเป็นไปเพื่อความงงายก็ไม่ได้คุณย่าบอกว่าพิสุมรณภาพลงข้าวของของพิสุในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องตกเป็นของใคร สมมติอาตมาตายลงเนี่ยภาพบริฐานของอาตมาจะต้องตกเป็นอ ข, ของใครเป็นสองการเป็นของสาธารณะเป็นของ ส, องสมสอให้สมแบ่งกันเอ ง, องท่านงัวหวงแหงอยูเลยของพระอาจารย์อย่าเอาไปนะเดี๋ยวท่านมาบีบพอนะตายทีนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้เหรอเราไม่มีความเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็มแล้วกว่าจะมาเกิดลูกอยู่ที่ไหนโลกนี้มีลูกเป็นของใครมาก่อนนี่เป็นของใครอยู่แล้วของจักรวาล เราไปยึดห้าที่ของเราของเราของเราของเราอยู่นี่แล้วเราอยู่ได้แค่ไหนกันใช่ไหมล่ะสักวันหนึงเราต้องหายออกไปจากโลกนี้จะเป็นมีของเรามาแต่ที่ไหนล่ะไม่มีหรอกนอกจากความหลงผิดความหลงยึดถือความหลงเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของอยู่เป็นความหลงรวนรแล้วความหลงมาพูดกับความจริงมันพูดกันไม่ได้คนละเรื่องคนหลงความหลงมาพูดไปตามเรื่องของความหลง ความจริงก็พูดไปตามหลักเหตุจริงไม่มีอะไรเป็นของของตนไม่ใช่เราไนมะ่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่ธาตา น, นก็ต้องอนแ่นี้ไม่มีมันมันมันน่เป็นเรื่องที่เราคิดได้ใช่ไหมเนี่ยเราก็คิดได้ว่าอะไรควรไม่ควรในระดับของอยู่น้องกคิดได้เยย อ, อ เราก็รู้นะว่ากายกับใจมันไม่ใช่เราทีนี้เราก็บอกจมันจะใช้เวลาต่างขนาดไหนนึกถึงว่ารู้แต่ยังไม่เห็นนั่นแหละตรงนี้นะคะใช่การที่จะเห็นได้ต้องคิดถ้าไม่คิดก็จะไม่เห็นคิดถึงดวงจันทร์นตอนนี้คิดได้ไหมคิดถึงดวงจันทร์เห็นภาพดวงจันทร์ไหมเห็นเห็นภาพดวงจันทร์ขึ้นมาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจะเห็นได้ต้องมาใัยความคิด เหรอไหมคิดถึงบ้านตอนนี้เห็นภาพบ้านขึ้นมาใช่ไห ม, ไมถ้ามีคิดเอาก่อนที่จะคิดภาพงจั่นขึ้นมามันเห็นเลยได้ไห ม, ไมเห็นเลยโดยที่ไม่คิดอ่ะ ไ, ไม่ได้มันต้องคิดก่อนการที่จะเราเห็นเรารู้มาแล้ว อ, อ ก, กายไม่ใช่เราแต่เราไม่สามารถเห็นแต่เรารู้การที่เราจะเห็นได้เราต้องคิดมันไม่ใช่เอาอย่างไร กระบวนการเห็นความคิดแหละมันจะทำให้จิตได้เกิดความเห็นและกระบวนการเห็นความเห็นจะทำให้เกิดความรู้แจ้งกระบวนการเห็นความรู้แจ้งจะเกิดให้เกิดการรู้ตามความเป็นจริงกระบวนการแห่งการรู้ตามความเป็นจริงจะเห็นอริยสัจ ต, ต้องใช้ความคิดเป็นตัวนำ คิดไปเรื่อยๆให้จิตต่อเนื่องกันคิดให้เห็นเห็นความจริงด้วยว่าไม่ใช่เราอย่างไรกายคือกายจิตคือจิตเราคือเราเอ๊ะมันยังมีเราคือเราอีกเหรอมีสิกายคือกายโดยส่วนของกายจิตคือจิตโดยส่วนของจิตเราคือเราโดยส่วนของเราเอาถ้ายังมีเราอยู่แล้วก็ยังมีตัวตนอยู่ แต่คนที่เห็นกายเห็นจิตจะเห็นเราไม่มีตัวตนเมื่อเห็นเราไม่มีตัวตนก็เห็นขึ้นเพียงแสแต่ว่าความเป็นอยู่ของเรานั้นอาศัยกายกับจิตเท่านั้นหากไม่มีกายกับจิตมารวงตัวกันความเป็นเราก็ไม่มีก็จะเข้าใจอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มมีอะไรชัดเจนขึ้นมาแล้วทีนี้เริ่มมีอะไรที่อ๋อเห็นกันแล้วอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เริ่มแยกแล้วเนี่ยรูปประคัน เวทนาขันส <necessary. S 2> ัญญาขันส an really an ังข really like, like, like, ันขันปิญญาขันมีแต่เรื่องของขันทําหน้าที่ของมันในแต่ละวันนี้สุขก็ทําหน้าที่ของมันตามแรงของผัสสที่มากระทบทุกก็ทําหน้าที่ของมันตามสิ่งที่มาผัสาะกระทบสัญญาขันก็ทำตามหน้าที่ของมันในเรื่องของการจําสังขันขันก็ทําหน้าที่ของมันในเรื่องของการคิดปิญญาขันก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการรับรู้เป็นเรื่องของระบบของขันที่ทําหน้าที่ของมันนั่นคือขันไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ในส่วนไหน เราไม่ได้อยู่ในส่วนไหนแต่เราคือองค์รวมของรูปกับนามกายกับจิตเราเป็นตัวรวมเพราะมีกายมีจิตจึงมีเราเหมือนกับมีเงาหนาแหละเงาหนาคำว่าเรานั่นคือเงาเข้าใจไหมเงาสะท้อนของความมีอยู่ของกายกับจิตเป็นเงาสะท้อนแห่งความเป็นตัวเราเมื่อแยกกายแยกจิตออกจากกันโดยภาวะที่ถูกต้องกายคือกายคือรูปเวทนาคือเวทนาคือนาม สัญญาคือสัญญาเขเป็นนามสังขารคือสังขารมั่เป็นนามวิญญาณคือวิญญาณเป็นนามตัวเรามก็ไม่มีแต่เราแต่เราจะมีปัญญารู้ว่าที่เรามีเพราะอาศัยองค์ประกอบของรูปกับนามนี้กายกับจิตนี้เท่านั้นเพ่แค่นี้จะหาความเป็นตัวเราที่แท้มันไม่มีเรายังมีเรายังอาศัยอาศัยความมีอยู่ของกายกับจิตถ้ากายไม่มีอยู่จิตไม่มีอยู่เราก็ไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อ พระอรหันต์ผู้ทราบดูแจ้งนิพพานดับสนิทแล้วไม่สืบต่อการเกิดแล้วรูปเวทนาสัญญาสัญญาณดับรอบแปลว่าปรินิพพานปริแไปว่ารอบนิพพานไปว่าดับดับรอบหมดพอดับรอบหมดรูปไม่มีเกิดขึ้นอีกเวทนาไม่มีเกิดขึ้นอีกสัญญาไม่มีเกิดขึ้นอีกสังญาณไม่มีเกิดขึ้นอีกปิญญาไม่มีเกิดขึ้นอีตัวตนของท่านจะมีเกิดขึ้นอีไหมไม่มีอานตอบได้ไม่มีถูกต้อง เมื่อตัวตนทีม่มีการเกิดขึ้นอีกเขาเรียกว่าการดับสดิท เ, เรียกว่านิพพานเข้าใจยังไม่มีตัวตนเกิดขึ้นอีกเรียกว่านิพพานเข้าใจมันสำคัญตรงที่พี่นาแยกแยกเนี่ยเราทำไม่มากพอไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะทุกคนรู้ ฟังทำสอนมาก็ไม่รู้ฟังมาเท่าไหรต่อเท่าไรแล้วกี่ปีแล้วนี่ย6ปีแล้วจะเข้าปีที่เขียต้องพี่นะตัวเองแล้วนะเ<ม>นี่ย4ปีมันไม่ใช่ความไม่รู้นะแต่ที่เรามาพูดกันพูดกันเพื่อให้พี่นาแล้วเห็นคิดขึ้นมาให้เห็นคิดให้เห็นที่ตะมาบอกว่ากายคือท่าศีให้เห็นกายเป็นท่าศีทำไมที่จะเห็นได้ต้องคิดให้เห็นขันว่าคือขัน เวทนาคือขันสัญญาคือขันก็คิดว่าอันนี้คือเวทนาจะไม่เอาตมาให้ประมวลลงในส่วนส่วนของขันตลอดใช่ไหมล่ะนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณอันนี้คือกายอันนี้คือเวทนานี่คือสัญญาอนไรสังขารวิญญาณเกิดความรู้สึกใดๆขึ้นมาอันนี้คือเวทนาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาอันนี้คือเวทนาเกิดความคิดขึ้นมาอันนี้คือสังขารเกิดความทรงจำในเรื่องบาเรื่องอันนี้คือสัญญาเกิดการรับรู้กระทบนี่คือวิญญาณพ็แค่นี้ พี่นาประเมินลงขันขันขันเราก็จะเห็นระบบของขันทํางานแต่ละวัดแต่ลอัญจาวัดขันนี้รับอารมณ์นี้นวันาขันก็แสดงอาการสัญญาขันก็แสดงความจําจําคัญขันก็แสดงอาการในความคิดปิญญาขันแสดงอาการแหการรับรู้รูปกขันลูปกับขันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งแห่งนามขันในการดําเนินเป็นไปอยู่ด้วยกันถือยิงอาศัยกันเป็นเรื่องของขันเมื่อมองเห็นเรื่องของขันเฉพาะของขันอะไรก็ตามกระทบก็กระทบขัน ขันขันอยู่ในขันขันห้าที่ขันน้ํามียายคนหนึ่งบอกว่าพระอาจารย์ให้ไปดูขันห้าขันห้าห้าขันก็ไปดูขันน้ําในห้องน้ำหมออยู่ดัานอะไรให้มันเป็นขันห้าห้าห้าไปได้ยังไงวะเป็นขันไปโดยในห้องน้ําก็มีอย่างนี้อาตมาก็เลยเกาหัวแยก เอาไงดีวะจะสอนยังไงดีวะขันห้าเราเราไม่ถึงขนาดนั้นมั้งอันนี้คือเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงสิเดูขันในห้องน้ำเนียมีหันเบลียวพระอาจารย์มีขันห้าขันก็ยังมีที่ที่ยังขนาดมีคนขนาดนั้ก็คือไปตีเป็นหวยอาจารย์สอนเรงขัน้า้ง้าส S <S นับก็อีกเลยนี่ <S <S <S <S นยนะีเนระื่องหวะคำถามในนี้ก็มีเีอนะมากคำถามในนี้ไล่ <S <S <S โยมผู้รับฟังรับชมันอย่ธรรมาก็บนไปตามาภาษาของธารมะ น, นะอะไรที่มันไม่ดีไม่อีก็ถือเอาอะไรที่ดีก็มีประโยชน์ก็ไปพิจารณานะอะไรที่ ขอเขอาออะไปที่พูดไปแล้วไมเกิดความผัดแยง้งมีเจตนาที่จะปรามาย์ดูว เชื่อว่าผมไม่ผิดอ่ะผิดก็ผิดแต่ความรู้สึกของคนเขาให้เต็มงอ๋อไม่เตียงฉันเพลงก็เอ่อใช้เวลาแล้วเหรอนั้นก็จะใช้เวลาในการไลฟ์สดในเช้าวันนี้แต่เพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามมาถ้ามีคำถามมาก็จะดีไลฟ์ในครั้งต่อไป โอกาสที่จะได้มาไลฟ์ก็ไม่ได้บ่อยไม่ได้ต่อเนื่องมันใช้เฉพาะช่วงโอกาสช่วงบางเวลาเท่านั้ น, น, น